รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องหนังสือของลุงดอนโจอาร์เบอาสอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมากแต่ความยากจนทำให้อาร์เบไม่มีเงินซือน้อหนังสือมาเป็นของตัวเองต้องขอยืมหนังสือของคนในหมู่บ้านมาอ่านอยู่เสมออย่างไรก็ตาม ไม่มีใครขัดข้องเมื่ออาเบ อ, เอ่อยปากขอยืมเพราะเขาเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบเมื่ออ่านหนังสือเสร็จก็จะนำไปคืนเจ้าของในสภาพที่ดีดังเดิมทุกครั้งดังนั้นใครๆจึงวางใจในตัวอาเบและให้เขายืมหนังสือไปอ่านอย่างเต็มใจต่อมาอาเบพบว่าเขาได้ยืมหนังสือทุกเล่มของทุกคนในหมู่บ้านมาอ่านจนหมดแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่มีหนังสืออ่านอีกอาเบรู้สึกเหงาหงอยและซึมเศร้าเมื่อไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อนเพื่อนเหตุอย่างนั้นก็สงสารจึงช่วยกันหาทางออกให้เด็กหญิงแน่ๆน่เพื่อนสนิทคนหนึ่งของอาเบเหมือนนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงรีบบอกอาเบว่า จริงๆแล้วยังมีอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านของเราที่เธอยังไม่เคยไปยืมหนังสือของเขามาอ่านเลยนะอ า, อาเบอาเบสีหน้ามีความหวังขึ้นรีบถามกลับไปว่าใครหรอแน่แ่ก็ลุงดอนโจเจ้าของไร่ขา้าวโพดหลังหมู่บ้านโน้นยังไงล่ะได้ยินมาว่าแกมีหนังสือดีๆอยู่มากทีเดียว เพียงได้ยินชื่อลุงดอนโจเด็กๆที่เหลือก็พากันทำหน้าเยเกบางคนถึงกับอุทานด้วยความตกใจอเบมองหน้าเพื่อนๆ อ, อย่างงงงแล้วพูดว่าลุงดอนโจเหรอฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยไม่รู้สิดีแล้วเพื่อนคนนึงว่าใครจะอยากรู้จักกับ jo, ลุงดอนโจล่ะแกโหดแล้วก็ใจร้ายกับเด็กๆตายไป นั่นก็เป็นเพราะเด็กๆชอบเข้าไปเล่นและขโมยข้าวโพดในไร่ของแกต่างหากแกไม่ชอบวุ่นวายกับใครและไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับแกด้วยถ้าอย่างนั้นแกอยากให้อาเบไปวุ่นวายยืมหนังสือ ข, ของแกหรอเพื่อนอีกคนตั้งคำถามอีกหลายคนส่งเสียงครางอย่างเห็นด้วยเนเน่นบอกว่าพ่อของฉัน พอจะรู้จักกับลุงดอนโจฉันจะลองให้พ่อไปยืมหนังสือดีๆสักเล่มมาให้อเบ อ, อ่านถ้าลุงดอนโจให้ยืมก็แสดงว่าแกไม่ใจร้ายเกินไปนักหรอกอเบขอบใจเนเน่ที่ช่วยให้เขามีหนังสืออ่านแต่ก็ยังแอบหวั่นใจกับกิตติศัพท์ความใจร้ายของลุงดอนโจอยู่ลึกๆวันต่อมาเนเน่ น, นําหนังสือของลุงดอนโจมาให้อเบ เป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้นำที่เป็นคนดีและประสบความสําเร็จอเบรรู้สึกแปลกใจมากเมื่อเห็นหนังสือเล่มนี้เขาถามเนเน่ทันทีว่าพ่อของเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันชอบหนังสือประเภทนี้เนเน่ใส่หน้าพ่อไม่รู้หรอกนี่ลุงดันโจเป็นคนเลือกให้แกถามพ่อของฉัน เกี่ยวกับตัวเธอสองสาคำแล้วก็ให้หนังสือเล่มนี้มาขอบใจเธอจริงๆนะเนน่ไม่เป็นไรหรอกแต่เธอต้องรักษาหนังสือเล่มนี้ให้ดีๆนะพลุมดอนโจแกเป็นคนรักหนังสือมากเลยล่ะจ้าฉันสัญญาว่าจะรักษามันให้ดีที่สุดอเบรับคำอย่างหนะักแน่น อาเบรีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือเล่มนั้นทันทีและเขาชอบมันมากกว่าหนังสือเล่มไหนๆที่เคยอ่านมาเขาอ่านจนลืมกินข้าวไปเลยตกดึกอาเบเก็บหนังสือของลุงดอนโจไว้ใต้หมอนเขาไม่อยากเก็บหนังสือเล่ม น, นี้ไว้ไกลตัวนักเพราะกลัวว่าอาจมีใครเข้ามาทําให้มันเปเปื้อนได้ แต่แล้วในคืนหนึ่งมีพายุหิมะพัดเข้ามาในหมู่บ้านมันพัดเอาหลังคาบ้านของอาเบปลิวหายไปอาเบตกใจตื่นเพราะเสียงร้องของพ่อกับแม่ในตอนนั้นเองเขาก็พบว่ามีหิมะมากมายกองอยู่บนที่นอนและมันกำลังละลายตัวอย่างรวดเร็วเด็กชายรีบกวาดหิมะออกจากเตียงนอนเพื่อค้นหาหนังสือ ช้าไปเสียแล้วน้ำเย็นๆที่ละลายมาจากกองหิมะได้ทำลายหนังสือของลุงดอนโจสะขาดยุย่ยตายละแล้วเราจะบอกลุงดอนโจว่ายังไงเนี่ยอาเบตกใจน่าซีดรุ่งเช้าอาเบนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนๆทุกคนตกใจแทนอาเบมากบางคนทำหน้าสงสารในชะตากรรมของอาเบเสมือนว่า เขากำลังก้าวไปสู่ความตายอย่างไรอย่างนั้นตายละนายไม่มีทางรอดแน่ๆอเบลุงดอนโจจะต้องไปบุกบ้านนายแล้วก็จับนายฉีกเป็นชิ้นๆจนยับเยินเหมือนหนังสือของเขาเพื่อนคนหนึ่งพูดพลางทำหน้าสยดสยองอย่าขูออเบสิเนเนดุเราต้องหาทางแก้ไขนะทำเฉยๆซิเห้อ ถ้าเผื่อแกลืมนายจะได้รอดเพื่อนอีกคนเสนอหรือถ้าเขามาทวงนายนายก็บอกว่านายไม่รู้เรื่องนายไม่ได้ยืมสิอีกคนบอกอาเบบอกเพื่อนสองคนนั้นว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกฉันยืมของเขามาจริงๆแล้วที่สำคัญคนที่ออกหน้าไปยืมให้ก็คือพ่อของเนเน่นะ แต่ถ้าให้ลุงดอนโจรู้ว่าหนังสือของแกเป็นแบบนั้นแกจะต้องเอานายตายแน่ๆก็เอาอย่างนี้สิไม่ต้องให้แกรู้ก็ได้เนเน่พูดเราก็ไปหาซื้อหนังสือเล่มใหม่มาคืนลุงดันโจแทนสิเด็กๆต่างเห็นด้วยกับความคิดของเนเน่แต่อาเบรซึ่งเป็นคนรักหนังสือและพอจะเข้าใจ ห, หัวอกของเจ้าของหนังสือบอกกับเพื่อนๆว่า ไม่ดีกว่าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราคดโกงลุงดอนโจนะสิบางทีหนังสือเล่มที่ฉันอ่านอาจจะเป็นเล่มที่ลุงดอนโจมีความประทับใจกับมันเป็นพิเศษก็ได้เช่นอาจจะมีคนสำคัญให้มาหรือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ลุงดอนโจอุตสาเก็บเงินซื้อซึ่งไม่ว่าเล่มไหนสักกี่ร้อยเล่มก็ไม่อาจแทนเล่มเดียวนี้ได้เลย ถ้าอย่างนั้นเธอจะทำอย่างไรล่ะอาเบถ้าไม่ได้บอกความจริงฉันคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นฉันจะไปบอกความจริงกับลุงดันโจที่บ้านของเขาเพื่อนๆนของอาเบแทบลงจับเมื่อรู้ว่าอาเบตัดสินใจเช่นนี้พวกเขาพยายามห้ามและพูดจาข่มขู่ต่างๆนานาไม่ให้อาเบไป แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะความซื้อสัตว์ในหัวใจของอาเบได้เพื่อนๆตามมาส่งอาเบได้แค่หน้ารั้วไร่ข้าวโพดของลุงดอนจโจแต่ไม่มีใครกล้าตามเขาเข้าไปในนั้นอาเบกล่าวคำขอบใจเพื่อนๆและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เด็กชายเดินเข้าไปในไร่ข้าวโพดของลุงดอนโจโด้วยใจที่เต้นรัรวเขาตื่นเต้นมากทีเดียวที่ต้องบอกความจริงเรื่องนี้ลุงดอนโจจะทำอย่างไรกับเขานะคงดุด่าด้วยความโกรธหรือไม่ก็อาจทุบตีเขาแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอาเบก็สบายใจที่ได้มาบอกความจริงอาเบเดินมาหยุดที่หน้าบ้านของลุงดอนโจและเคาะประตูเรียก จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งร้องดังมาจากข้างหลังว่ามาหาใครอาเบหันควับไปมองชายร่างยักษ์หน้าตาดุดันคนหนึ่งยืนแบกจอบเสียมและจ้องมองเขาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนคนนี้คือลุงดอนโจที่แสนใจร้ายของเด็กๆแต่กระนั้นอาเบก็ยังเผลอตอบออกไปว่ามาหาลุงดอนโจครับ ลุงดอนโจหีตามองเด็กชายแล้วตอบเสียงห้วนสั้นข้านี่แหละดอนโจเออผมชื่ออาเบครับผมแต่ไม่ทันที่อาเบจะพูดจบลุงดอนโจก็ตาวาดใส่เขาว่าอ๋อแกเองเหรอที่ทำหนังสือของข้าเสียหายข้าว่าแล้วไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่คบได้สักคน ไอสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มันไม่เคยรักษาข้าวของหรือทําอะไรได้ดีหรอกนอกจากจะเล่นสนให้คนอื่นเดือดร้อนไปวันๆลุงทราบแล้วเหรอครับข้ารู้สิหนังสือเล่มนั้นข้ารักซะยิ่งกว่าอะไรข้าคอยถามข่าวค่าวของมันจากท่อของเพื่อนสนิทแกคนที่มายืมหนังสือให้แล้วก็ได้รู้ว่าแกทํามันพังยับเยินไปซะแล้ว อาเบคุกเข่าลงต่อหน้าลุงดันโจขอโทษครับลุงดันโจผมขอโทษผมเองก็รักหนังสือเล่มนั้นมากผมไม่ดีเองที่ทําให้มันเสียหายจนอ่านไม่ได้อีกผมขอโทษครับผมขอโทษแกนี่อยู่ดีไม่ว่าดีโผลมาให้ข่าจัด ก, การถึงที่แกไม่รู้หรือไงว่าข้าเกลียดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ทําลายข้าวของข้า ข้าไม่น่าให้แกยืมหนังสือไปอ่านเลยพับผ่าสิลุงดอนโจพูดอย่างโมโหโกโรธาอาเบะสำนึกผิดจริงๆเขาพูดว่าผมผิดไปแล้วครับลุงจะทำโทษผมอย่างไรก็ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วครับลุงดอนโจชะงักในคำพูดของอาเบะนเลิกคิวแล้วถามสบายใจอะไรของแก ผมสบายใจที่ได้มาบอกความจริงกับลุงครับอาเบย์ตอบลุงโดนโจรเงียบไปอเบยพูดต่อว่าผมจะชดใช้ที่ทําหนังสือของลุงเสียหายแต่ตอนนี้ผมมีเงินไม่มากพอที่จะซื้อหนังสือเล่มนั้นมาคืนลุงได้ขอเวลาให้ผมสะสมเงินสักพักแล้วจะซื้อหนังสือเล่มใหม่มาคืนนะครับ ลุงดอนโจจ้องมองอาเบยอย่างพินิจพิเคราะห์คู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ช่วงนี้ข้าขาดคนทำงานในไร่แกมาทำงานในไร่ของข้าสัก3ามวันสิแต่บอกไว้ก่อนนะว่าถึงจะเป็นเด็กแกก็ต้องทำงานเท่ากับที่ผู้ใหญ่ทําอาเบรับคำทันทีเขาดีใจมากที่จะชดใช้ความผิดของตนแกลุงดอนโจผู้เป็นเจ้าของหนังสือ อาเบตื่นแต่เช้ามืดมาทำงานในไร่ข้าวโพดของลุงดอนโจและกลับเมื่อใกล้พบค่ำทุกวันเขาทำงานอย่างหนักเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ทำโดยไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวสมวันผ่านไปลุงดอนโจเรียกอาเบมาพบคราวนี้หน้าตาของลุงดอนโจดูใจดีขึ้นเขากล่าวกับอาเบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลจนอาเบแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่า ข้าเพิ่งรู้เรื่องจากเพื่อนๆของเจ้าว่านังสือของข้าเสียหายเพราะอะไรข้าขอโทษที่ไม่ได้ฟังเหตุผลให้ชัดเจนจึงไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุที่ยากจะป้องกันพูดจบลุงดังโจก็หยิบซองซองหนึ่งให้แก่อาเบข้ารู้มาว่าบ้านเจ้ายากจนมาก นี่คือเงินค่าจ้างที่เจ้ามาช่วยข้าทำงานอย่างขยันขันแข็งถึงสามวันแต่อเบรี่ปฏิเสธทันทีผมทำเพราะต้องการชดใช้ให้ลุงผมไม่เอาเงินนี่หรอกครับถ้ารับไว้ผมจะไม่สบายใจมากลุงดอนโจ ร, รู้สึกประทับใจอเบเป็นที่สุดเขายิ้มและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งยื่นให้อเบอเบรรับมาดูแล้วก็ต้องประหลาดใจ เมื่อพบว่ามันเป็นหนังสือเล่มเดียวกับที่ถูกพายุหิมะทำลายแต่ผิดกันตรงที่หนังสือเล่มนี้ยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมอ่องเหมือนไม่มีใครเคยเปิดอ่านมาก่อนลุงดันโจพูดว่าข้าไปตามหาซื้อมันมาจากในเมืองโชคดีที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งเล่มข้า ย, ยกให้เจ้ารับเอาไปสิ อเบมองลุงดอนโจตาค้างพร้อมกับถามกลับอย่างงงๆว่าเออฮะฮ ะ, หะให้ผมเหรอครับใช่แล้วรับไปเถอะเจ้าเป็นเด็กซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบอย่างที่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนส่วนเพื่อนๆของเจ้าก็รักเพื่อนโดยใจจริงทั้งหมดนี้ทำให้ข้ามองเด็กๆในทางที่ดีขึ้นข้าประทับใจมาก อาเบดีใจเขาขอบพระคุณคุณลุงดอนโจเป็นการใหญ่และสัญญาว่าจะรักษาหนังสือเล่มนี้อย่างดีที่สุดลุงดอนโจหัวเราะแล้วพูดว่าข้ามีหนังสือมากมายที่ห้องหนังสือชั้นบนต่อไปถ้าเจ้าจะมาเป็นแขกประจำที่ห้องนั้นบ่อยๆข้าก็ยินดีต้อนรับรวมถึงเพื่อนๆของเจ้าด้วยหากไม่ซุกซนเกินไปนัก ก็ชวนให้มาวิ่งเล่นในไร่ข้าวโพดของข้าได้ข้าอนุญาตพร้อมกันนั้นลุงดอนโจยังฝากอาเบให้ไปบอกพ่อกับแม่ด้วยว่าจะว่าจ้างให้เขาทั้งสองเข้ามาทํางานอยู่ในไร่อาเบราบซึ้งน้ําใจของลุงดอนโจมากและเขารู้แล้วว่าลุงดอนโจไม่ใช่คนใจร้ายแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีที่สุดในโลกเธอทั้งหลาย ถ้าเธอทำผิดจริงอย่าหลีกหนีความผิดเลยเธอการยอมรับความผิดด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นจึงจะทำให้เธอขับไล่ความรู้สึกผิดบาปออกจากจิตใจได้ถึงแม้ว่าการยอมรับผิดนั้นอาจจะทำให้เธอต้องเดือดร้อนและพบกับความยากลำบาก แต่เธอก็เห็นด้วยใช่ไหมว่าคนที่ทำผิดทุกคนก็สมควรได้รับบทลงโทษบ้างอย่างไรก็ตามเชื่อเธอว่าบทลงโทษที่เธอได้รับจากการยอมรับผิดจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดไปนานนักหรอกเพราะความภาคภูมิใจในตัวเองจะช่วยเยียวยาบาดแผลนั้นให้สมานได้เองในภายหลัง ความยิ่งใหญ่ของการยอมรับความผิดก็คือมันสามารถทำให้ความน่านับถือในตัวคนคนหนึ่งฉายชัดเสียยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงทาให้คนที่ควรจะโกรธกันกลับให้อภัยกันและหันกลับมาคบกันด้วยความจริงใจอีกครั้งแต่ความเลวร้ายของการวิ่งหนีความผิด ก็คือมันสามารถริบเอาศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือจากคนคนนั้นไปจนหมดสิ้นแม้ว่าการไม่ยอมรับความผิดนั้นจะมีสาเหตุมาจากเรื่องขี้ปัติ๋วก็ตาม